ท่พนพอน้อมใจว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นอันตรหานะมันจะต้องแสดงบทบาทออกมาเลยอะมาคัดค้านหรือขัดขวางทำให้เบือนายต่อคำสั่งสอนนั้นนั่นอนุภาพแห่งตรหัสนัให้พึ่งพากันเข้าใจเราต้องตั้งฉันทะความพอใจ ที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเราจกไม่วันไหวต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้น mm hmm. จกไม่เบื่อต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟัง mm hmm. ก็ต้องอธิษฐานในใจว่ายอย่างนี้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 ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงบา ร, รมีสิบไว้บา ร, รมีสิบนั่นน่ะก็เพื่อเป็นกําลังใจนี่เองแหละให้ใจมันเข้มแข็ง เ, เ, เพื่อจะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาบาปรธรรมต่างๆบุคคลไม่มีบุญบา ร, รมีเป็นกาลังใจแล้วมันจะสู้อํานาจกิเลสตัณหาไม่ได้เลยนั่นแหละคนเราที่มันทำความชั่วอยู่ในโลก น, นี้ มันก็เนื่องว่าแต่มันไม่มีความดีเป็นกำลังใจเลยดังนั้นมันยึงถูกตันหาฉุดคล่าไปทำความชั่วโดยประการต่างๆให้เข้าใจ <c oughs> แล้วก็ทมเนียมของผู้ฝึกตนหนึ่งแล้วผู้มุ่งหวังทำความเจริญให้แก่ตนของตน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 ดังนั้นเราจะต้องสู้ทนอดกั้นอดก้อนกินเกลือไปจะได้ทำความดีให้เต็มความสามารถเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไว้แม้ชาตินี้มันจกไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเราพกภูณบุญกุศลไว้ในใจให้มากมากแล้วบุญกุศลนี่จะตกติดตามไปทุกแห่งทุกหน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 เนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้านอะไรอะไรก็ขาดแคลนคนจะไปมาหาสู่ก็ลำบากดังนั้นผู้อยู่ห่างไกลจากบ้านนะท่านจึงฉันเพียงมือเดียวนั่นแหละฉันมือเดียวเท่านั้นถือสันดุถีตามมีตามได้บินบาตได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น <c oughs> อันนี้มันเป็นปฏิบัตธของนักบวชมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าน น, น้นแหละแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำอย่างนี้ให้เป็นตัวอย่างของภาษาโกทั้งหลายเริ่มตั้งแต่พระองค์เสด็จออกบวชใหม่ๆนั่นนี่ย<อ>ไปบินธบาตในกรุงราชคฤห์นั้นเขาก็เอาอาหาร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 เป็นนั่งพิจารณาอาหารนี่ยก็ทรงเตือนตนว่าดูก่อนสิท ธ, ธัะบัดนี้ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนะท่านเป็นบรรพชิตนะจะไปเอาอาหารที่มีรสเลิศที่ไหนมาฉันเล่าธรรมดาชีวิตของบรรพชิตนี่มันก็ต้องถือสันดุถีตามมีตามได้เมื่อเขาให้มาอย่างไรเราก็ต้องยินดีบริโภคขอบฉันอย่างนั้น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 วันที่แปดนั่นแหละถึงได้เสด็จไปบินทบาทในเมืองราชคฤห์มหานครนั้นเ <c oughs> ละ้ต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเที่ยวบินทบาทเลี้ยงชีพมาโดยลำดับ <c oughs> จนว่าได้ตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณพูดถึง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 เที่ยววินทบาทมาฉันวันละมือเท่านั้นเองทรงสแสวงหาหนทางความสงบความตัดสรุแจ้งแทงตลอดสัพเพเยยธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องหวนระลึกถึงพระองค์มาเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวเราจะได้มีกำลังใจ เราต้องอดต้องทนต่อความหิวโหยแต่ถ้าเราทำความพอใจในข้อวัดปฏิบัติต่างๆมานี่แล้วมันไม่หิวอะไรนะ <c oughs> ว่าแต่ขอให้เรามีปีติอินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ให้มากขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวโหยต่างๆมันหายไปหมดนี่ใครๆก็ต้องเป็นพระหนุ่มมาทางนั้นแหละก่อนจะมาเป็นพระแก่ก็ดี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 เห็นเขาสนุกเพลิดเพลินกันก็อย่าให้ใจมันเพลินไปตามต้องสำรวมอยู่ภายในบริกรรมพุโทโธอยู่ในใจให้ได้เมื่อห้ามจิตนี้ได้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลย อ, อย่างนี้แหละ <c oughs> เมื่อมันเพลิดเพลินลยแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปรักผู้หญิงนั่นเข้าไปอีกแหละอนักบวดเนี่ย ทีแรกมันก็เพลินในมห ร, สรัสศพคบเงินเห็นจะยินเสียงร้องราขับร้องเข้าไปตีสีตีเป่าเข้าไปอย่างนี้ใจมันไม่เพิดเพลินมันไม่ยินดีอยู่แค่นั้นแบบนี้นะแล้วมันมันเลยไปหาเพศโกงกันข้ามนัอนอีกอย่างนี้นะต้องระวังไว้ให้ดีผู้บวชเข้ามาใหม่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 เรื่องคนนั่นสวยคนนี่งามคนนั้นขี้ร้ายอะไรหมดนี้อย่าไปเอามาพูดกันเนอะต้องต้องงดเลยทีเดียวจะเอามาคุยกันเล่นเหมือนอย่างเป็นเครื่อหันั้นไม่ได้ผิดวินัยของสงฆ์ของพระให้พึงเข้าใจท่านเรียกว่าติระฉานวิชาติระฉานากถาคือคําพูดต่ําไมคําว่างั้นแหละคำ คำพูดอยู่ในขั้นตำ่ำไม่ใช่เป็นคำพูดที่สูงให้เข้าใจคำพูดที่สูงนั่นน่ะเราพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญกุศลทำอย่างไรเราจึงจะได้บุญได้กุศลทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากอำนาจแห่งตันหานี่เมื่อคุยกันสนทนากันน่ะเราต้องปราลบอย่างนี้ แต่เท่าที่สังเกตมาแล้วมันไม่ได้ปารพบกันเรื่องอย่างนี้เลยนะอะผู้ใดเคยยึดถืออารมณ์ใดมาแต่ในอดีตแล้วมักจะเอาเรื่องอดีตอันนั้นแหละเรื่องนั้นมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันไปมาอยู่นั่นนะ่ะอันนั้นต้องเอาทอดเอาทิ้งไว้บ้านนู่นเรื่องต่างๆที่เป็นอดีต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 อันการเป็นนักบวชนี้นะให้เข้าใจให้ตั้งใจลงว่าเราจะแสวงหานิรามิสสุขคือสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยกามมคุณพูดง่ายๆสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกามมคุณก็คือสุขอันเกิดจากความสงบใจใจสงบแล้วไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมีสติประคองจิตให้สงบนิ่งอยู่ในปัจจุบัน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 พวกบริโภคกรารมคุณเนี่ยได้สเสวยความทุกข์อย่างเผ็ดร้อนเลยต้องก ก, กรมลำบากทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพาครอบครัวอดอจะพากันอดหิวโหวยไป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 มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้สอนตนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องดีการสรงกิตใจไปยินดีพอใจในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์แน่นอนเลยต้องพี่นาดูจริงไหมที่พูดเนี่ยต้องพี่นาให้มันเห็นด้วยใจของตนเอง ถ้าผู้ใดพี่นาเห็นแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่เพลิดเพลินไม่ประมาทเลยบบบ น, นี้นะจะตั้งใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเลยอย่างนี้แหละภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่แล้วต้องระมัดระวังอันตรายสี่อย่างนี้อย่าให้มันมามาย่ำยีได้เ <c oughs> มือ่อระมัดระวัง เมื่อให้มันมาย่ํายีได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่มันก็ไปได้สะดวกไปได้คล่องตัวอะไรบ่เดียวทีนี้แล้วก็สมกับว่าทําตัวเป็นคนผู้เดียวจริงๆแบบนี้ อ, อกายเดียวใจเดียวแท้ๆแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นกายเดียวแล้วใจสองใจสามไปนน่นอันนั้นไม่ใช่วิสัยของสมณะเ อ, อ่า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 เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมันไม่เหลือวิสัยอะไรเลยไม่ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าจะเป็นนั่งภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเป็นเช่นนั้นไม่ถึงเวลานั่งภาวนาก็นั่งไปเมื่อออกจากภาวนามาแล้วก็ต้องดูตำรับตาลาต้องท่องบนจดจาเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้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 ใจไม่ได้จดจ่ออยู่ในธรรมวินัยปล่อยใจให้พุ่งไปในบ้านในช่องไปนู่นให้พุ่งไปในเรื่องอดีตอนาคตนู่นไม่ได้กำหนดใจอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละจึงถูกกิเลสตัณหามันฉุดคร่าเอาไปบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ดิ้นแล้วนี่อย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราอะ่ะต้องสู้ตายออ ไม่เคยตายหรือตายมาแล้วนับชาติไม่ทวนแล้วเราสู้ตายสู้กับกิเลสตัณหาเอาจนมันตายลองดูไปยังไงอ่ะนี่ที่เราตกเป็นทาตของตัณหาบุคคลผู้ตายด้วยอํานาจแห่งตัณหานี่นับขนาดไม่ทวนเลยบัด น, นี้เรามาสู้กับตัณหาเอาจนตายลองดูเปยังไงอ่ะเอะ่มันจะไม่ดีเหรืออย่างนี้นะ ให้เพึ่งพากันเตือนตนสำเนียกตนอย่างนี้เพราะว่าคนที่เขาตายเพราะตันหาเนี่ยมันเหลือที่จะคันนานับแล้วแหละในโลกนี่นะอ้าวตันหาไปดื่มเหล้าเมาสุรามาแล้วเกิดทะเลาวิวาิพิเถียงกันยิงกันตายนั่นก็ตันหาเลยนะตันหามันชอบเมาทีก็นั่งรถไปขับรถไปลดความตาย เหมือนมีอยดาดเดินเลยเกือบแทบทุกวันหละวันเถอะ แ, แล้วทำไมพวกเราที่เป็นนักบวชและ ย, ยอมสละชีวิตสู้กับตันหาเอาชนะตันหาไม่ได้เหร อ, อนี่ให้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่นะมันเพลียชีวิตเพื่อตันหานี่มัน เหลือที่จะคณะนานนับแล้วนะบันนี้พวกเราเนี่ยคนหมู่น้อยเนี่ยเราพลีชีวิตเพื่อต่อสู้กัตันหาจะไม่ได้เหลือนี่ถามตนเองเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พลีชีวิตเพื่อเอาชนะตันหาตอนเสด็จออกบวชอดนอนผ่อนอาหารสู้พร้อมยังแต่หนังติดกระดูก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 นี่ตั้งใจลงอย่างนี้ทีเดียวแหละถ้าผูใ้ใดตั้งใจลงอย่างนี้แล้วมันเอาชนะได้แน่นอนเลยอ่ะอืมไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้า อ, อสอนเรื่องอันตรายของพิกษุสามเณรผู้บวนใหมนะ่ให้อดทนต่อคําสั่งสอนแบบนี้โกงเงินข้ามอมอย่าไปเบื่อนายต่อคําสั่งสอน เพราะว่าคำสั่งสอนนั้นล้วนแต่เป็นคำสั่งสอนที่สอนให้คนเราละชั่วทําดีทั้งนั้นเลยจะไปเบื่อทำไมหรอก็ก็เรายังละความชั่วไม่ได้นี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าความชั่วมันเป็นอย่างไรแต่ลำพังปัญญาของตัวเองก็ไม่รู้จักเลยต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของบุตรเจ้านี่นะจึงได้รู้จักว่าความชั่วมันเป็นอย่างนี้นี่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 นี่ข้อสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อได้ฟังคำสอนของพระเทเจ้าแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความชั่วเอาจนชนะความชั่วดงต่างให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็อดกั้นทนทานทำความดีไปไม่ท้อไม่ถอยนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่เห็นแก่หับแก่นอน ไม่เห็นแก่เจ็บแก่ปวดขอนั่งภาวนาไปเจ็บปวดนิดหน่อยเขาไม่อดไม่ทนกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่ออะไรขึ้นมาไอ้อย่างนี้นี่มันใช้ไม่ได้เลยไม่มีทางแล้วมจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างว่านั้นนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าบุคคลผู้ไม่นั่งภาวนามันก็ตายเห็นกันอยู่ด่า ด, ดื่นแล้วไม่ใช่หรอ เต้นสามศอกออกสาวา่าเอาฟ้อนลาขับร้องดีดสีตีเป่าสนุกสานานล่าเริงบรรทงหมู่นั้นนึกว่าเขาจะไม่ตายโอ้ยที่แท้มันก็ตายเหมือนกันเลยอนี่เพดัะนั้นใครอยู่ที่ไหนมันจะไม่ตายมีเหลือโลกอันนี้ะวะ่างั้นสอนตนเข้าไปอย่างนี้สินั่งสมาธิภาวนานี่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 ว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมแท้ๆนะ